ไม่ใช่สัตว์ิเากชนตัวเมียหญิงมนุษย์นั้นโดยที่สุดกระทั่งเด็กหญิงซึ่งเกิดในวันนั้นหญิงโตวกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงคำว่ากลับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าสองต่อสองได้แก่ภิกษุกับมตุคามที่ชื่อว่าที่รับได้แก่ที่รับตาและรับหูที่ชื่อว่าที่รับตาหมายถึงที่ซึ่งเมื่อบุคคลขยิบตายักคิ้วหรือผงกศีรษาขึ้นใครๆก็ไม่สามารถแลเห็นได้ ที่ชื่อว่าที่รับหูหมายถึงที่ซึ่งไม่มีใครสามารถได้ยินพยักคำที่พูดกันตามปกติได้อาสนะที่ชื่อว่าที่กําบังคือภัสนะที่กําบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลําแพนม่านต้นไม้เสาหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งคําว่าพอจะทําการได้คืออาจจะเสพเมถุนธรมกันได้คําว่านั่งหมายความว่าเมื่อมาตุคามนั่งที่ส่นนั่งใกล้หรือนอนใกล้ เมื่อภิกษุนั่งมาตุคามนั่งใกล้หรือนอนใกล้หรือนั่งทั้งสองคนหรือนอนทั้งสองคนที่ชื่อว่ามีวาจาเชื่อถือได้ถือหญิงผู้บรร ล, ลุผลผู้ตรัสรู้ธรรมผู้เข้าใจศาสนาดีที่ชื่อว่าอุบาสิกาได้แก่หญิงผู้ถึงพระพุทธเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะคาว่าได้เห็นคือได้พบอุบาสิกามีวาจาเชื่อถือได้ กล่าวโทษด้วยอบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอบัติสามอย่างคือปาราชิกสังฆธิเศตหรือปริจิตตีพิสูจน์ยอมรับการนั่งเพิ่งถูกปรับอบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอบัติสามอย่างคือปาราชิกสังฆธิเศตหรือปาิจิตีอีกประการหนึง่งอุบาสิกาผู้มีวาจาเชื่อถือนั้นกล่าวโทษด้วยอบัติใดพิสูจนนั้นถึงถูกปรับด้วยอบัตินั้น